123. ผู้เอาแต่ฝันมาหลอกลวงมองมเมาคนก็มีแต่นรกจึงร้ายสุดก็คือผู้ที่ไม่รู้ความเป็นกายจริงที่ฉลาดดังกล่าวแล้วแต่ดันเอาคำว่ากายไปหลอกโลกไปลวงสังคมดัดจจิตเอาคำว่าธรรมะ ไปใส่เข้ากับคำว่ากายแล้วเรียกอย่างโก้ว่าธรรมกายที่หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเทียวแล้วนำคำนี้มาลวงโลกมันก็มีแต่นรกอเวจีไม่มีจบกันเท่านั้นคนเช่นนี้ยากที่จะสมสารคลานขึ้นจากนรกได้ อาตมาไม่อยากให้เขาต้องตกนรกเลยมันทุกข์ทรมานจริงๆนะนรกนะ่ะแต่ไม่มีทางอื่นเลยที่จะให้เขารู้เขาเข้าใจก็ได้แต่อธิบายธรรมะสาธยายธรรมะนี่แหละจ้ำจี้จ้ำชัยอยู่อย่างนี้เองลำพังเขาตกนรกก็เป็นทุกข์ของเขา แต่เขาพาคนไปตกนรกด้วยนี่สิมันเลวร้ายและมันทำลายศาสนานี่ยิ่งเลวร้ายสาหัสนนาสาสคัญอีกจึงจำต้องพูดต้องจำหนิต้องบอกให้รู้ว่ามันเลวหนักมันต่ำช้ามากนะก็ได้แต่พูดความจริงอยู่อย่างนี้เองยิ <im> ่งเป็นนานาสังวาดกันด้วย ก็ยิ่งได้แต่คัดค้านอย่างจัดหนักต้านทานอย่างเต็มแรงกันอยู่อย่างนี้ลัทธิธรรมกายดังกล่าวนี้เอาทั้งอดีตเอาทั้งอนาคตมาปั้นสร้างเป็นวิมานหลอกคนพวกหลงงมงายยึดอดีตและอนาคตจึงหลงและเมือเพอพกกันไปใหญ่โตเชื่อฝันกันว่าเป็นความจริงด้วยความโง่ ที่ไปหลงคำลวงภาพลวงวิมานลวงคนที่โกหกชนิดนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมปชาณมุสาวาตคือโกหกทั้งทา ง, งที่ตนก็รู้ว่าตนโกหกคนเช่นนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นคนทําชั่วได้ทุกชนิดร้ายขนาดไหนก็ทำได้ ไม่มีชั่วใดที่จะทำไม่ได้การกระทำทั้งหลายทั้งปวงของผู้ไม่กลัวการโกหกจึงมีแต่นรกทับถมจมหนักอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนไม่ตั้งสติพอมีปัญญาชั่วคราวแล้วถามตนเองบ้างว่าชีวิตจะหลงไปกับลาบยศสรรเสริญไปอีกเท่าไหร่พอได้หรือยัง โกหกไปก็บาปไปได้นรกไปอยู่ตลอดเวลาถามจริงไม่กลัวนรกจริงๆเหรอ